แสดว่าประเทศเรานี่เจริญกว่าประเทศเขานะทางด้านาจิตตภาวนาถ้าใครอยากจะปฏิบัติจิตตภาวนาต้องมาที่ประเทศไทยเป็นความจริงเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขนาดประเทศมหาอำนาจเขาก็ยังต้องมาศึกษาจากประเทศไทย คนไทยเรากลับไปศึกษาจากประเทศมหาอำนาจพอเราไม่สนใจเรื่องของการภาวนาเรื่องของการพัฒนาจิตใจเราสนเราสนใจเรื่องของการพัฒนาราบยศสรรเสริญสนใจพัฒนาเรื่องของ ความสุขทางตาหูจมูกล่้นกายเราก็ต้องไปศึกษาที่ต่างประเทศไปที่ประเทศที่เขาเจริญด้วยราบยุศสรเสริญเจริญด้วยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ความเจริญทางราบยุศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ทำให้ใจ พ้นทุกข์ได้กลับจะทำให้ใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปแต่การจเจริญทางจิตใจจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาจะทำให้จิตใจมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นผู้ที่เห็นความสุข ความทุกข์ของใจว่าสำคัญกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็จะหันมาให้ความสนใจต่อการบาเพ็ญจิตภาวนาผู้ที่ไม่สนใจก็จะให้ความสาคัญต่อการหาราบยุชน์เส ร, ร, ส ร, ร, ส ร, ริญหาความสุขทางต า, งตางหูจมูกเมืนกาย นี่คือความสุขทังสองทางที่เรียกว่าทางโลกกับทางธรรมทางโลกก็ต้องมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกมาสัมผัสถึงจะมีความสุขส่วนทางธรรมนี้ต้องสลัดการ หาลาบยศรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกดินกายไปแล้วให้มาหาความสงบที่สงบเพื่อจะได้ทำใจให้สงบ ก, กายวิเวกจิตก็จะวิเวกตามถ้าที่ไม่สงบ ก, การทำใจให้สงบนี้ย่อมเป็นไปยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย เป็นผู้ที่แสวงหาความสงบทางใจจึงมักไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบทางกายที่ปราศจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คอยรบกวนใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหาที่ที่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นพิษเป็นภัยต่อใจเช่นในป่าในเขา เป็นสถานที่ ส, สงบสงัดจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆที่ยัวย่วยวนกวนใจที่คอยอปลุกบิเลตตันหาให้เกิดขึ้นทำให้ใจต้องวุ่นวายกระสับกระส่ายกระวนกระวายหนุดหงิดนำคาดใจ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 ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงๆก็ตามป่าตามเขาอยู่ตามป่าตามเขาบรรุในป่านั้นบรรลุบนเขาได้เขาลูกนั้นเขาลูกนี้อย่างที่หลวงตาท่านเขียนไว้ในประวัติหลวงปู่มั่นเขียนไว้ในปฏิปทาอันจะเล่าถึงประวัติของครูบาอาจารย์องค์ต่างๆที่ไปบําเพ็ญอยู่ตามป่าตามเขากันด้วยกัน สถานที่การบาเพ็ญจึงเป็นเป็นปัจจัยสาคัญถ้ากายไม่วิเวกสถานที่ไม่วิเวกใจจะไม่วิเวกคาว่าวิเวกก็คือสงบสงดัดใจจะสงบสงัดได้ก็ต้องอาศัยสถานที่สงบสงัแต่แต่ไม่ได้เป็นสถานที่เพียงอย่างเดียว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 ต้องมีปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือสติสตินี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสถานที่ที่วิเวกสงบสนัดนี้เป็นปัจจัยรองแต่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะต้องมีนอกจากผููที่มีสติที่มีกําลังแก่กล้ามากอันนั้นสถานที่ก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่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 ให้สักแต่ว่ารู้พอพูดท่านี้เขาก็เข้าใจเพราะจิตเขามีสติอยู่ตลอดเวลาจิตเขาก็สักแต่ว่ารู้อยู่ตลอดเวลาจิตเขาไม่ได้คิดปรุงแต่งแต่เรื่องราวต่างๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ติด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 แต่บอกว่าให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี้ก mm ็เข้าใจแล้วก็ให้เห็นเฉยๆให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆให้ฟังเฉยๆอย่าไปเกิดความรักความชังความกลัวความหลงอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รับรู้อันนี้เป็นกรณียกเว้น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 เกิดความวุ่นวายใจเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาการจะทำใจให้สงบก็จะไม่เป็นไปได้จึงจำเป็นต้องไปเปกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็หมัน่นเจริญสติดึงใจให้ตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถึงแม้จะเป็นเรื่องของทางปัญญาก็ยังไม่ควรเพราะปัญญาก็เป็นความคิดปรุงแต่งเหมือนกันนอกจากเวลาที่เกิดทุกข์นั่นแหละถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้เลยตอนนั้นถ้าใช้ปัญญาก็จะหยุดทุกข์ได้ใจก็สงบได้แต่ถ้าใจไม่มีความทุกข์ปล่อยให้ใจคิดด้วยเปลือยถึงแม้จะคิดไปในทางปัญญา ใจก็จะไม่สงบเพราะมันไม่มีเป้าหมายของความคิดคิดไปแบบเลื่อยเปื่ยอยอย่างนั้นทางที่ดีควรหยุดความคิดดีกว่าควรให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวสิ่งเดียวจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับความตายก็ได้ อ, อยู่กับร่างกายก็ได้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 แต่พอใจสงบแล้วนี้ไม่ต้องบังคับใจจะสักแตว่วรุโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาตินี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้เขาให้เข้าถึงตัวสักแตว่วรู้ให้รู้ว่าการทำให้ใจสักแต่วรู้นี้ทำอย่างไรแล้วเวลาออกมาสัมผัส ร, รับรู้กับเรื่องราวต่างๆจะได้ใช้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 วันนั้นคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่ศักจะว่ารู้ไปใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกอย่างเป็นขบวนการของเขาอยู่แล้วเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเขามีเหตุมีปัจจัยให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ต้นมงต้นไม้เขา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 เวลานไม่มีฝนตกน้ำก็น้อยหรือบางเวลาก็แห้งไปเลยมันก็เป็นกระบวนการของเขาใจไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ทุกที่วุ่นวายกันก็เพราะไปยุ่งกับเขานั่นเองไ็อยากจะไปจัดการกับเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา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 น้ำท่วมรุนแรงกว่าเดิมเพราะการจัดการของใจที่มีความรักชังกลัหลงนี่เองถ้าใจไม่มีความรักชังกลัหลงแล้วใจก็จะปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติของเขาใจก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายธรรมชาติเขาก็เป็นไปตามกระบวนการของเขา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 ใจก็สุกมีความสุขนี่คือการพัฒนาใจเพื่อให้สู่จุดของการสัตว์ตระรู้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นอย่างนี้หละจะให้เขาไปเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรพอไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นขึ้นมาก็วุ่นวายใจขึ้นมา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 เขาเป็นอย่างนี้มาแต่ตั้งเดิมและเขาจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไปยุ่งกับเขาทำไมไปวุ่นวายไปกับเขาทำไมไปรักไปช่างไปกลัวไปหลงกับเขาทำไมเราไม่ได้ไม่เสียกับอะไรแต่ความหลงไปทำไปหลอกให้เราไปยึดส่วนนั้นส่วนนี้ของธรรมชาติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเรา แล้วก็เลยเกิดการบิดเบือนความจริงของธรรมชาติเช่ mm hmm. นไปยึดร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดินน้ำลมไฟนี้ก็เป็นธรรมชาติร่างกายนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟก็เป็นธรรมชาติมีกระบวนการของเขามีการเจริญมีการเสื่อมของเขา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 ความจราก็เข้ามาแทนความเจริญความเจริญเติบโตก็หมดกำลังความเสื่อมก็มีกำลังเพิ่มมากขึ้นความจราก็มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นดับไปในที่สุดเมื่อกระบวนการของการละลายแยากตัวของดินน้ําลมาไปทำออกกันอย่างเต็มที่ ดินก็ไปทางหนึ่งน้ำก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางไฟก็ไปทางกลับเ่อนสู่ที่เดิมของเขาน้ำก็ไปหาน้ำลมก็ไปหาลมไฟก็ไปอยู่กับไฟดินก็ไปอยู่กับดินนี่คือกระบวนการแก้ปัญหาก็คือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา<ม>ความสุขของเราอยู่ที่การไม่ยุ่งกับธรรมชาติ<ม>ความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปยุ่งกับธรรมชาติพยายามไปปรับไปแก้ไขธรรมชาติ<ม>ให้เป็นไปตามความต้องการของเรา<ม><ม>ก็เลยทำให้เกิด ความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมานี่คือเรื่องของทางธรรมทางธรรมนี่มาศึกษาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นธรรมชาติเป็นดินน้าลมไฟเพื่อจะได้สัต์แต่รู้จะได้ปล่อยวางทุกอย่างจะได้ไม่ไปวุ่นวายไปรักไปชังไปกลัวไปหลง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 จะไปมีผัวใหม่ก็ดีพ่อจะได้ไม่ต้องมากังวลมีคนมาดูแลให้แม่มีความสุขพ่อก็ดีใจด้วยวหลวงพ่อจะได้ภาวนาได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลกับใครแล้วที่ยังกังวลอยู่นี่ก็กังวลที่แม่นี่แหละกลัวแม่จะอยู่อย่างไม่มีความสุขถ้าแม่มีผัวใหม่ได้ก็ดีบอกว่าหลวงพ่อดีใจด้วยนะ สักแต่ว่ารู้แต่ น, นานิทานก็ไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นเขาว่าเฮ้ยไม่ได้ <laughs> ขายวัวขายควายขายได้ขายนาขายไร่ขายได้แต่จะไป ม, มีผัวใหม่นี่ยังไม่ได้ <laughs> ยังเป็นเมียเราอยู่ <c oughs> ยังเป็นของเราอยู่ <c oughs> ถ้าถ้าสักแต่ว่ารู้จริงก็ต้องได้หมดนะขายจะทาอะไรได้หมด ร่างกายนี้จะแก่ก็ได้ร่างกายนี้จะเจ็บก็ได้ร่างกายนี้จะตายก็ได้รับสมบัติข้าวของเงินทองขายยาวไปก็ได้ไม่ต้องการอะไรดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาตระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทรัพย์สมบัติดาบยศสรรเสรินี่ขายยาวไปเอาไปเลยเจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เป็นสมณะโคดม เป็นผู้บำเพญกิจตภาวนาปีกวิเวกอยู่ในป่าอยู่ในเขาสว่างหาความสงบสวงหาอุเบกขาสวงหาสักแต่ว่ารู้พอได้สักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่เคยคิดที่อยากจะกลับไปรับน่าจะรั์นาจะสมบัติมรดกต่างๆการอยากจะได้เอาไปเลย แมแต่ลูกกับเมียก็ไม่ได้คิดอยากจะกลับไปได้คืนมานี่แหละคือการสักแต่วรู้พวกเรามาปฏิบัตินี้ขอให้เรารู้ข้อสอบของเราข้อสอบของเราก็คือสักแต่วรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะไปออไปเลยใครจะไปไปเลยสมบัติจะไปไปเลย นถยนต์เขาจะมายึดยึดไปเลยอะไรต่างๆที่มีอยู่นี่มันจะไปให้มันไปเลยถ้าเราสักแต่ว่ารู้จริงเราจะไม่เดือดร้อนเพราะการสักแต่ว่ารู้จริงนี่มีความสุขมากเวลาจิตสงบนี่สักแต่ว่ารู้นี่มันมีความสุขมากทำให้มันไม่หิวมันไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรกลับไม่อยากจะมีสิ่งที่มีอยากจะให้มันหมดหมดไป เพราะมันเป็นภาระมีก็ต้องดูแลมันไม่มีดีกว่าไม่มีอะไรนะ่ะดีที่สุดการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปลมังสุญญ์ยังนิพพานังปลมังสุขขังนิพพานังปลมังสุญญ์ยังคือจิตที่ไม่มีอะไรนี่แหละคือจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปลมังสุขขัง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 ให้ดึงกลับมาที่สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวเพราะสักแต่ว่ารู้นี่สบายที่สุดดีที่สุดนั่นเองที่อื่นนี้วุ่นวายทุกข อ, อย่าไปให้อยู่ตรงจุดที่สักแต่ว่ารู้นี้เพียงจุดเดียวก็พ อ, อนี่คือขบวนการของการ พัฒนาจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนาขั้นต้นก็ใช้สติควบคุมความคิดเพื่อให้จิตเข้าสู่สัจตวรมู้เข้าสู่อุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาพอจิตจะออกจากจุดที่เป็นอุเบกขาจุดที่เป็นสัจธวรู้ก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าให้กลับไปที่เดิมอย่าไปอยากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่ากลับไปหาราบยศ เ, เสรเสริญอย่ากลับไปหาลือกเสียงเกลื่นลดอย่าไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันจะนำไปสู่การยึดการติดแล้วก็การอยากต่างๆไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้ายืนอยู่ที่สักดแต่ว่ารู้ได้ก็สบายไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากไปเปล่า ทำแพ้แทบเป็นแทบตายเดี๋ยวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยไปหาเงินไปหายศไปหาอะไรต่างๆเดี๋ยวพอตายไปก็ทิ้งไปหมดนเอาไปไม่ได้อยู่ดีเราไปหามันให้มันเหนื่อยทำ ไ, ไมเอาของที่เอาไปได้ไม่ดีกว่าเนะนี่ยเอาแต่ศักแต่ว่ารู้ไปเนี่ยพระพุทธเจ้าพระหลานท่านไม่ได้เอาอะไรไปท่านเอาแต่ศักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเอง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 จะมีแต่ความสุขไปตลอดตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่ละ400ประมาณ430เข้าป่ะจาง430กว่าครับอาจารย์มีมีคำถามเข้ามายัง ม, มีครับถามเลยก็ได้มีใครจะถามคาถามไหมครับอืถามคำถา ม, มถามไป คำถามจากผู้ฝากถามถากว่าเราไม่มีความอดทนกับคำว่าคนเห็นการอิจฉาลิสยาผิดศีลธรรมจนไม่อยากจะอยู่กับคนจะต้องบอกกับจิตว่าไงคะเพราะในงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแทบจะไม่เจอคนแบบพระอาจารย์พระเพื่อมุ่งมุขนทุกค่ะเพราะเราไม่สัาบแต่วารู้ไงเราไปรักไปชังในสิ่งที่เราเห็นเขา้า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 คำถามจากคุณสายลมเย็นที่ให้พิจารณากายเวทนาจิตทำในขณะทาสมาธิเราควรจะจับเอาเพียงอย่างเดียวหรือสามารถจะหลับพิจารณาไปได้ทุกเมื่อครับไม่พิจารณาเลยเวลานั่งสมาธิให้สงบอย่างเดียวให้นิ่งอย่างเดียวการพิจารณานี้ต้องออกจากสมาธิก่อนอยู่อีกขั้นหนึ่งอยู่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเรียนหนังสือก็คนละวิชากัน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 คำถามจากคุณขอตามเธอไปทำย่างไรจึงจะให้เกิดมีผู้รู้ขึ้นมาได้คะต้องมีสติต่อเนื่องเป็นวงกลมหรือเปล่าหนูภาวานา ม, มาสามปีแล้วเห็นแต่นิมิตโครงกระดูกบ้างกําพราะว่าเวลาทั่งสมาธิไม่มีไม่มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปล่อยให้ใจปรุงแต่งขึ้นมาต้องอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว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 ก็ถ้าจิตมันนิ่งมันไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆก็ถือว่าเป็นอุเบกขาก็ถือว่าสักแต่ว่ารู้คาถามจากคุณวัชรินในขณะที่นั่งสมาธิ<ม>เกิดเห็นเป็นหลุมดําก็พยายามมองลงไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรก็เลยเดินออกมาแล้วมองขึ้นไปอีกฝัง่ง<ม>เห็นเป็นบันไดาทางขึ้นสว่าง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 อะไรมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจถ้าไปตามรู้ก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วคำถามจากคุณเฟิรนจะแก้ไขสันดานเกลียดค้านชอบเอาแต่นอนได้อย่างไรคะก็เอาความปยันมาสู้มันสิคำถามจากคุณกัน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 เพเห็นแล้วใจคองไม่ดีเลยสงสารพวกเขามากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยค่ะก็ไม่มีอเบคขาเถ้ามีอเบคขาก็จะว่ามันเป็นกรรมของสัตว์ทับทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือเชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคํถาถามจากคุณมน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 ทำไมพวกเทวราถึงบวชไม่ได้เหมือนมนุษย์คะอ่าก็ไม่มีร่างกายจะบวชได้ไงเวลาบวชมันก็ต้องมีร่างกายต้องเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้หญิงก็เดี๋ยวนี้ก็บวชไม่ได้แต่ก็บวชทีได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอสังคมของนักบวชหญิงคือพิกษุณีมันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วก็เลยไปก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะไม่มี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 การทำให้จิตมีกำลังในชีวิตประจาวันควรทำอย่างไรครับเนี่ยทาให้จิตมีสักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยๆไปแล้วจิตจะมีพลังพลังต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเราไม่ต้องการพลังแบบร่างกายที่จะยกของหนักที่จะทำอะไรต่างๆเราต้องการให้ใจเฉยๆอีกเท่านั้นเอง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 คำถามจากคุณไกรลินการอธิษฐานจิตพิธีปลุกเสกต่างๆกับการทำสมาธิหรือไม่ครับและการกระทําดังกล่าวถูกต้องตามหลักศาสนาไหมครับเออมันการปลุกเสกนี่มันไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิแต่อยงใดเออเราก็ไม่รู้เราไม่เคยปลุกเสกแค่นี้ไม่รู้ไปปลุกอะไรเป็น่รูไปปลุกอะไรไปเสกอะไร อ, อันเป็นความเชื่อ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 กมันเขาองเป็นของแข็งก็เรียกว่าเป็นส่วนของธาตุดินไปของน้นที่เป็นของเหลวก็เป็นส่วนของธาตุน้ำไปของไหนที่มันเป็นเบาเช่นลมในท้องลมที่พายออกมาจากท้องนี่ก็เป็นธาตุลมไปลมที่หายใจเข้าไปในปอดก็เป็นธาตุลมไฟก็คือความร้อนก็มีท่านนี้คำถามจากคุณมุนี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 มีความรู้มีความเห็นที่เราไม่เคยรู้มาเห็นมาก่อนแล้วสามารถนาเอามาใช้กับชีวิตคือเอามาแก้ปัแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราก็เลยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของธรรมะ mm hmm. ก็เลยอยากจะติดตามติดศึกษาไปเรื่อยๆพอคิดเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราได้ปริญญาตีแล้วเราก็เห็นว่ามีคุณค่ามากเราก็อยากจะได้ปริญญาโท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 ไม่ได้ต้องถอนออกมาก่อนก็ตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิแล่งไงพอคิดถึงขนมก็ใช้ปัญญาบอกว่าอย่ากินกินแล้วติดเหมือนยาเสพติดถ้าไม่กินต่อไปก็สบายเงินก็ไม่เสียแล้วก็ไม่ทุกข์เวลาไม่มีขนมกินนถ้ากินแล้วมันติดต้องหากินอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินซื้อก็ทุกข์เวลามีเงินซื้อแต่ไม่มีขนมขายก็ทุกข์ถ้าไม่ติดแล้วก็สบายนี่ยเรียวกว่าปัญญา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 เพราะสิ่งเหล่า น, นี้ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับยาเสพติดดีๆนี่คนที่เสพยาเสพติดกับคนที่ไม่เสพมี ใ, ใครใครสบายกว่ากันนั่นสิดูเสียงกิ่นแล้วก็เหมือนยาเสพติดเนี่ยขนมนมเ น, มนยนี่ก็ยาเสพติดกาฟงก ya, าแฟนี่ก็ยาเสพติดบุหรี่เหล้าก็ยาเสพติดดูหนังฟังเพลงก็ยาเสพติดนอนกับแฟนก็ยาเสพติดมันเตะมันเสพแล้วน้มติดใช่ไหม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 แต่คนที่ก็ไม่เสพอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายก็เขาเห็นว่าพวกเรานี้เป็นพวกติดยากันทั้งนั้นติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงมาสอนให้เลิกเนีอย่ามาเสพเลยมาอยู่เฉยๆดีกว่ามาสักแต่ว่ารู้ทำใจให้สงบดีกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการเสพยาเสพ ส, สิ่งต่างๆในโลกนี้ทำใจให้สงบแล้วใจใจะอิ่มจะมีความสุขแล้จะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรส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 พ่ายังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกใจให้มีกำลังให้ให้มีความสุขใจก่อนขั้นต่อไปก็ต้องเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติใจมีความสงบมีความสุขใจแล้วทีนี้ก็เลิกได้เลิกขนมนมเนยได้เลิกแฟนได้เลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้พระอาจาครับคุณกอลวีถามมาว่าพระอาจารย์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยเหรอครับ ทำไมถามทำไม่ะมันเกี่ยวอะไรกับคุณอนะ่ะเราจะเราไม่เคยประกาศว่าเราสุขหรือเราทุกข์นไหนคุณไปคิดเอาเอง <c oughs> เราบอกมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เดี๋ยวก็จะหาว่าเราอุตริอกีก <c oughs> เราไม่เคยพูดนะ ว, ว่าเรามีความสุขไม่มีความทุกข์เราก็เป็นเรื่องของเราเราสุขก็สุขมันก็เราเปก็เป็นเรื่องของเราเราทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราอย่ากังวลกังวลกับสุขกับทุกข์ของคุณดีกว่าออ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 มันมีสองเราเราที่ร่างกายกับเราที่ใจเราปล่อยวางเราที่ร่างกายได้แต่เรายังปล่อยวางเราที่อยู่ในละอยู่ในใจเราไม่ได้ปัญญา are, เรายังเข้าไม่ถึง <Mü? S 2> เราต้องปล่อยาวางร่างกายให้ได้หมดก่อนเราถึงจะเข้าเข้าไปปล่อยในใจได้อีกทีหนึ่งพราะโสดามันเพียงแตปล่อยร่างกายของเราแต่ยังไม่ปล่อยร่างกายของแฟนว่าใช่ไหมยังรักแฟนอยู่ยังหวงแฟนอยู่ insulted. ต้องไปปล่อยร่างกายของแฟนด้วยถึงจะปล่อยร่างกายได้หมด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 เราพูดให้เราเป็นครูใหญ่เป็นผู้จัดการเนี้เราก็คิดว่า เ, เราใหญ่ก็เข้านะ้วเข้ <Yeah. S 1> าใจไหม mm hmm. มันมีสองหลงเนี่ยหลงเราเราในร่างกายกับเราในใจใเร า, เราตอนต้นต้องถอดเราออกจากร่างกายก่อนแล้วถึงค่อยเข้าไปถอดเราในใจอีกทีหนึ่งพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ให้พรสอนไหมครับก็ไม่มีใครไปเลย ตัวใหญดูวันนี้ก็มีแต่พวกฟังธรรมนั้นนั้นแต่จะให้ก็ได้เผื่อใครอยากจะกลับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำตามสูตรเรารับพรนะทางบ้านมีทามไหมอ่ะเข้ามาต่อคำถามจากคุณพักพรหนูมีเรื่องท้อล้อกับข้างบ้านมาห้าปีแล้วเคลียร์หลายครั้งต่อหน้าก็ไม่มีอะไร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 ก็ได้บางส่วนได้ส่วนที่เป็นเหตุไงคือถ้าเราไม่นั่งเราไม่เจริญสติเราก็จะไม่ได้ผลที่การเจริญสติของเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์ล้มลุกคุก ค, คานผลก็เลยยังไม่เกิดแต่เราก็ได้บุญส่วนตรงที่เรานั่งส่วนที่เราพยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่เต็มร้อย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 แล้วเดี๋ยวก็ล้มล้มแล้วเดี๋ยวก็พยายามขึ้นใหม่ๆต่อไปทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นกำลังขามากขึ้นเดี๋ยวก็ยืนได้แล้วต่อไปก็จะเดินได้วิ่งได้การฝึกสติก็แบบนี้เริ่มต้นก็จะล้มลุกคุก ค, คาน<ม>คิดแล้วพุทโธแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอได้สติก็เดินกลับมาใหม่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่อย่าปล่อยให้มันคิด แล้วยอยู่กับร่างกายก็ดูร่างกายไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอย่างนี้ไปเดี๋ยวต่อไปมันก็จะอยู่พออยู่แล้ววนดานั่งดูลมหร้ว อ, อยู่กับพุโทโธมันก็จะนิ่งจะสงบจะตกหลมุมตกบ่อได้คำถามจากคุณ น, น้อยความเห็นว่ามีเราเป็นเราเมื่อมีปัญญาแล้วจะหายไปจนไม่มีเราไหมครับ มันหายไม่หายไม่สำคัญแต่เรารู้ว่ามันมันเราเรารู้ทันมันก็นแล้วกันพอเราคิดว่าเราปั๊บเราก็จะรู้ว่ า, ามันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นนะเราคือใครเราก็จะถามตัวเรา ท, ทัานทีเราคือนายกรนายขอเราคือนายกนายนายกลือนายอะไรน่นไม่ใช่เราคือตัวรู้เท่านั้นเองเราก็อยู่กับตัวรู้ไปให้รู้เฉยๆไปไม่ใช่ว่าพอเราเป็นนายกเราก็จะวางอํานาจบาดใหญ่ขึ้นมา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 คำถามจากคุณกันในสมัยพุทธกาลที่กล่าวว่าพิสุผู้ น, นั้นบรรลุธรรมนี่หมายความคือท่านสาเร็จถึงขั้นโสดาบันขึ้นไปใช่หรือไม่ครับมันก็มีหลายขั้นอะโสดาบันสกิดาคามีอาณาคามีอาหารหันต์คำถามจากคุณพิมพ์หนูสงสัยว่าที่บ้านแทบทุกบ้านรวมทั้งบ้านหนูจะมีสารพระภูมิเจ้าที่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 ครูอาจารย์อย่าไปฟังคําสอนของคนอื่นเท่านั้นเองอยากจะไหว้ใครไหว้ได้หมดไปโบสไปโบสถ์ฝรั่งก็ไปไหว้เขาให้ไหว้ก็ไหว้ไปโบสถ์ในชาลามเขาให้ไหว้ก็ไหว้มันเป็นเพียงกิริยาอาการเท่านั้นเองแต่อย่าไปอย่าไปเชื่อคําสอนของเขาหรือถ้าจะเชื่อก็เอาคําสอนที่เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้ า, านี่เชื่อได้เป็นศาสนาบางศาสนาอื่นก็สอนคล้ายๆ พ, พุทธเจ้าเหมือนกันสน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 ถ้าไม่อยากจะมีผลของบาปก็อย่าไปทำบาปเท่านั้นเองคำถามจากคุณการ น, นาจะสอนลูกให้เป็นคนดีทำอย่างไรคะก็สอนให้มีสัมมาคารวะคารคารลเคารลบผู้หลักผู้ใหญ่มีความกตัญญูกตวเวทเีแล้วก็มีความเมตตาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรก็แบ่งปันกันอย่าหวงกัน อันนี้ก็เป็นคนดีได้ละอย่าเบียดเบียนกันอย่าทําร้ายกันทําลายกันคําถามจากผู้ปักถามที่บอกว่าอุเบกขาสักแต่ว่ารู้หากปราศจากฝึกจิตให้สบายมีความสุขแล้วเราไปใช้ปัญญาจากอดีตชาติในการแก้ปัญหาเลยจะแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมคะก็ <c oughs> แล้วแต่ไง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 เวลาเรามีปัญหาเรามีความทุกข์แล้วเราแก้ได้หรือเปล่าถ้าเราแก้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้จิตรวมก็แก้ไปก็โอเคไม่ว่ากันไม่มีอะไรสู่ตายตัวคำถามเจ้าคุณแดลองถ้าขณะนอนเราจะเลิญสติพุทโธอยู่ตลอดจนหลับไปและพอรู้สึกตัวก็ภาวนาพุทโธต่อจนหลับไปอีกทําอย่างนี้จนตื่นและไม่ง่วงนอน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 แต่ก็ภาวนาต่อจนรู้สึกทุเลาแต่มามีอาการเหมือนสับ ป, ประกแต่ไม่ได้ง่วงรู้สึกตัวดีสับ ป, ปกแต่ละครั้งกายเอนลงเรื่อยๆลูกก็ตั้งใจจะไม่หยุดจนกระทั่งเอนลงเรื่อยๆรู้สึกกดทับเจ็บปวดในช่วงท้องอย่างมากจึงต้องหยุดภาวนาลูกควรทำอย่างไรดีคะตั้งนั่งใหม่เริ่มใหม่นั่งตั้งตัวให้ตรงใหม่แล้วก็ภาวนาใหม่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 ก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขาเขามาเองเดี๋ยวเ้าก็ไปเองความสุขมาเอ ง, KE KE, เ, องเดี๋ยวเา้าก็ไปความทุกข์มาเองเดี๋ยวก็ไปปัญหาของเราคือไม่ยอมอยู่เฉยๆพอความสุขมาก็พยายามจะดึงมันไว้พอมันไปก็เสียใจพอความทุกข์มาก็จะปัดให้มันไปพอมันไม่ไปก็ทุกข์อีกนี่เราต้องเฉยต้องสักแต่ว่ารู้กับสุขกับทุกข์ เวลาสุก็รู้ว่าสุกเวลาทุกก็รู้ว่าทุกเท่านั้นพออย่าไปอยากให้เขาอยู่อย่าไปอยากให้เขาไปคำถามจากคุณสุภัสตาเวลานั่งสมาธิไปสักพักมีความรู้สึกจะหยุดหายใจหายใจไม่คล่องต้องรีบออกทุกทีแก้อย่างไรคะก็อย่าไปทาอะไรให้ดูเฉยๆมันหายใจไม่คล่องก็รู้ว่าหายใจไม่คล่องไม่ต้องไปทาอะไร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 สถานการอย่างอื่นไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันคําถามจากคุณสิริวัลคําว่าหลงในตัวเราหมายถึงตัวมานะหรือเปล่าคะนั่นแหละมานะก็คือการถือตัวว่าเราสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือต่ํากว่าเขาคําถามจากคุณกัญจนาพีฉันเข้าวัดปฏิบัติธรรมตอนเข้าพรรษาข้าววันพระ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 เราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปโกรธหรือไม่ชอบเขาใช่ไหมครับเพราะเราก็ปฏิบัติตัวปกติไม่ได้ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนใช่การมีสัมมาคารวะนี่เป็นบุญอย่างหนึ่งส่วนคนอื่นเขาจะมีสัมมาคารวะหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราคำถามจากคุณปาราศีนข้อสามผิดศีลข้อสามแล้วเลิกทาเลย กลับมาทาสมาธิแต่ใจยังคิดถึงอยู่ผิดไหมคะแต่แต่ได้เป็นพักๆ ค, ค, คิดถึงความผิดที่เคยทำไว้เนี่ยก็มันผ่านไปแล้วคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆมันผิดแล้วก็แก้เสียอย่าไปทำอีก พ, พระอาจารย์จริงไหมครับที่เขาบอกว่ายิ่งเรายิ่งคิดถึงเรื่องที่เราทำผิดพลาดมาอดีตเนี่ย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 และร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคำถามจากคุณหญิงเราไปทำให้คนหนึ่งทุกข์ตอนนี้เราอยอมแก้ปัญหาที่ตัวเราเดินมาเพื่อให้เขาไม่ทุกข์แต่มันทาให้อีกคนเป็นทุกข์อีกต้องทำอย่างไรดีคะก็อยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปทำอะไรถ้าทำได้เขาทุกข์ก็อย่าไปทำ ถ้าไม่ทำแล้วก็ทุกข์ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดจากการกระทาของเราหมดแล้วเลยวันนี้ยอดอไม่ตกเลยครับอาจารย์ตอนนี้ยังสี่ <30 S 2> ร้อยสามสิบสี่ร้อยอยู่เลยครับอาจารย์ก็ดีวันนี้ก็มีธรรมะเยอะแล้วนะอะอยากจะถามอะไรไหมไม่มีเราก็จะได้เลิกกันนะ เพราะว่ามันก็ยืดเยื้อไปก็เดี๋ยวก็ซ้ำซากฟังแล้วก็จะเบื่อไปเปล่ า, าเอาน้อยๆดีกว่าน้อยน้อยแต่มีมีมีคุณมีประโยชน์เราไม่ได้ทำเพื่อจะยืดเวลาให้มันครบเวลาหรอกเรามีเวลากรอบเวลาเพื่อมาตอบคำถามเพื่อให้ธรรมะเมื่อไม่มีคำถามก็ถือว่าหมดเวลา เราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านสำหรับบางท่านที่สงสัยเรื่องเสียงภาพมืด น, นะครับบนเขาชิโอนไม่มีไฟฟ้านะครับแลวไม่มีน้ำประปานะครับ ดังนั้นถ้าสภาพอากาศเนี่ยคลึมวันนี้มื ด, มดครึ้มก็เลยมืดไม่เป็นไ ร, ม, รมันไม่สําคัญภาพไม่สําคัญได้กับเสียงที่เราฟังนี่เราฟังธทม เ, เราไม่ได้ดูภาพภาพเป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองพระอาจารย์มีข้อนึงแถมหน่อยไหมครับรพนักสนใจครับ่าที่ว่าการจะ บ, บรรลุธรรมนั้นต้องเอาตายเข้าแรกจริงหรือไม่ครับขั้นโสดามันก็ต้องเป็นอย่างนั้น่ะเพราะว่าต้องยอมตาย ไม่ได้เอาความตายเข้าไปแรกเอาความยอมตายเข้าไปแรกไม่ได้ตายหรอกพระโสดามันมีที่ตายกันที่ไหนคนที่เขาบรรลุกันเขาไม่มีใครตายแต่ก็ต้องยอมตายเขาถึงจะบรรลุได้แต่ไม่ได้เอาความตายเข้าไปแรกไม่มีใครตายเดีย๋ยวจะคิดว่าศาสนาสอนให้คนตายเพื่อจะบรรลุทำไม่ใช่สอนให้ยอมตายให้ปล่อยวางร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่ตายหรอกถ้ามันตายมันนั่งคุยกันได้ไงเราเนี่พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนว่าเราได้ไง แต่ท่านเหล่านี้ท่านยอมตายทั้งนั้นเนี่ยท่านถึงท่านถึงบรรลุธรรมได้ปาใจัยนะ